สมยอมละทำเป็นไม่ลวันดนี้ได้จะฟังมีจะฟังถามเทิงพระพุติจ้าเอาปรวัตถือพระพุติเจ้าถือพระธรรมถือประสงค์เป็นชนะที่ขึ้นที่รึษ ภาพทว่าสกุลบูชามีเท่านี้มึงเราหาพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนเราไม่รู้ที่อยู่เอ๊ะอยู่ตรงไหนเอ๊ะหายไปละเอ๊ะเฮ้มันจะพูดได้นี่เราศาสนาล้ว อยู่ที่ไหนล่ะวันนี้เราถือพุทธศาสนาอะไรเพุทธศาสนาอหานอยู่ที่ไหนล่ะบัิที่ไหนอ่ะ่ คนทั้งหลายจอนี่เหลือเชื่อศาสนาธรรมคำสัส่งสอนพรพุทธเจว่าบุญว่าบาปนารกสวรรค์เหลือเชื่อคนเลยไม่เชื่อบุญเชื่อบาป่าบุญบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีนนมนคนเดิมนี่เหลือเชื่อศาสนา ยิ่มีประโยชน์นั้นคนะเดนเนี่ยหาเราเชื่อพุทธศาสนาจริงๆแล้วบ้านเมืองของเราไม่วุ่นวายเดือดร้อนที่เย็นเป็นสุขนี่พวกท่านทั้งหลายมานี่ก็ต้องการความสุขและต้องการความเจริญและต้องการความสุขความสบาย รู้จักไมมอะไรสุขอะไรสบายต้องการคุณงามความดีอะไรมันดีนี่ไห้รู้จักหาไม่รู้จักแล้วหาวันยังคำ้ำมันก็นไม่เจอไม่เห็นความดีเป็นอย่างนี้พอเร า, ารู้จักความดีมีตัวอย่างอย่างวา่วาทาบุญ อเมนโตมันมินสุบ <andar> ร <izens analysis> ีมาเนีว่าไม่โตอีกอ่บาเมนโตมันมนสุบุรีมาโทบาเป็นตัวยังไงล่ะเห็นไ้โบาเป็นตัวยังไงเนยนะรู้อย่างนี้ใช ตัวบากเป็นตัวยังไงไม่อยู่ที่ไหนแล้วขึ้นผู่ขึ้นตัวใจต่อไปสราบชนะคำสั่งสอนพุทธเจา้สาสราบชนะไม่อยู่ในป่าอากาศต้นไม้ภูเขาเรากาไม่อยู่ในบ้านในเมืองถนนหนทางอนุพุทธิสล า, าลงทมโบส ว, วิหารโปรพุทธิศาส ดูตัวของพวกเรลานี้วัดคือบริษัททุนเสดิจพิสุพิสุนีบากุบาติกาทาั้งหลายแหล่นี้เนี่ยทุกศาชนาทั้ทาเนี่ยนาสนาคือคำสั่งสอนคำสอนอะไรสอนกายคนสอนวาจางคนสอนใจคนนะ เมื่อรวมแล้วกายวจาจาใจาคนนที่เป็นภพุกติศาสนะ า, านัดห้าพันวาสาศาสนาบดเมื่อบุคคลผู้ดับขันไปแล้วคุณนัน้นานามวิศาสนาเห็นยังมีอายุชีวิตอยู่นี่ยังมีศาสนาอยู่ไม่กระทั่และไม่ปฏิบัติเป็งนังง้น เป็นสอนเผยใดตายวาจาแสงคอนละความชั่ว <c oughs> ความชั่วก็ลังอยู่ในป่าในดงในบ้านในเมืองทุกทาง <c oughs> อยู่ที่กายคนอยู่ที่วาจาคนอยู่ที่ใจคอน <c oughs> เป็นทันในลา <c oughs> ลาคอนชั่ ว, <c oughs> ล, วลาเผยใด พวกเราทุกพวกเรายากพวเราลำบากลาคาโพวกเราอดเราจนพวกเราต้อทุกข์ได้ยากสมีคณสอนอย่างนี้ศาสนาความทุกข์ความยากนี่แหละความอดความยากนี่อันนี้เลยตัวบาสนี่คือตัวคนมีเสร็จทุกข์ยากทุกฟ้าอากาศทุกข์ยากศีรษะมันดาดำอคอกิ่วกิ่วตัวคนตัวตบาส ดูพี่ไม่อะไรทุกข์อโอเราทุกข์มิใช่รักความทุกข์นั่นและบาปทุกข์งตรงไหนแล้วนั่นและบาปข้ า, ากากาขาาเ ข, า, ขาไม่ทุกข์เลยยากเขาความเงินทองเจือล้านเงคานเขาไม่ทุกข์เลยยากเขาน้าโภชนาอาหารเขาไม่ทุกข์ในยากเลยหัวใจคนติดทุกข์ยากว่าง รู้โอเคเอเป็นอย่างนั้นนี่ละท่านสอนอย่างตัวเราทุกข์เรายากความทุกข์ความยากมันตัวบาเนี่ตัวนรกควา ม, มวกุ้มกกุมใจความทุกข์วทุกข์กใจ่นานแ ล, ะละ้วรอกดูเอานมีใช่ว่าขาทุกข์อันนี้ท่านสอนกายสอนวาจาใจผอน สอนเพื um, ่อใดสอนให้ทาคุณงามความดีงามความดีก็อยที่อื่นอยู่ที่กายที่ใจของเราทำเพื่อใดให้เรามีความสุขให้เรามีความสบายให้เรามีความสุขให้เรามีความเจริญให้เรามีคุณงามความดีนี่เรียกว่าบุญคือความสุขความสบายกายสบายใจ นี่ล่ะเมื่อใจลราสบายแล้วการงานเราก็สบายทำอะไรก็สบายอืมค้าขายก็สบายและสัขานก็สบายครอบครัวก็สบายชาวบ้านร้านกรประเทศชาติก็สบายไปมาหาสู่กันก็สบายเมื่อเราดับขันไปแล้วก็ยุี่สุขที่สบายอันนี้เรียกว่าบุญ อยู่ความสุขความสบายไม่ใส่ตระเป๋าเงินความสุขสบายห้าปอนทองสบายสุขสบายหัวใจคนสุขสบายเพราะเราทำจุงงามความดีนี่นันเป็นอย่างนี้นี่หลากันในพงลูกพงกระจายพวกเราไปมีเวลาากันมาอยากฟังธรมาสวรรค์มาทำ ใสวรรา์หาเตือนแห่งเย็นในธรรมะในธรรมะคุณธรรมเอฮิปสิโกจงร้องเรียกทั้งหลายมาดูธรรมท่านไม่ไปดูธรรมมาดูธรรมมาดูอะไรธรรมคือรูปธรรมนามธรรมนี่ทิรูปธรรมคือตาภาพร่างกายของเรานี้เรียกรูปธรรมนามยุนี่แหละ ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งให้ลุปธรรมนามธรรมาคือดวงใจของเราจิตวิญญาณของเราคือผู้คิดผู้นึกอารมณ์สัญญานี้แ่ละเนามาเถือนี่ล่ละเราเป็นตัวเป็นตนครับบุคคลเราเขาถ้าได้กินพระพุทธเจ้าเรียกว่าธาตุทั้งสี่ันหนังห้าอยธนรทั้งหกเทานาั้น ทำรวมมาแล้วอเป็นนั่นเรามาใส่ในหยวนี่เรามาใส่ขาดทันสี่ทันทัน้งห้ายตะนานี่เราจะใส่ได้เมื่อไรล่ะต่อไปล่ะเราเกิดมาเราเอาไร ม, มาที่เจรนาดูเช่มาราคากันบนทุกคนยากดนั้นกด น, นี้เราไม่ได้หากมา เกิดมาก็มาเิตโตรกรเปล่าไม่ใช่หรือหถืออะไรมาด้วยนึืขึ้นรถยนต์นมาหรอเงินมากี่จะตามมาผููบริยมากี่มวนภาพความความสบายเอามาหรือแต่งตัวเปล่าเอามาละเข้มาเจตโตรกรเปล่าอ่าดูอเอาสิมาบนนั่นบนนี้นีนนนละพระพุทธเจา้าจะในวางสาสนาไวา้ ให้แกพวกเราให้รู้จักอโภพในโภท้น้อมกับภายในทำ ใ, ใน้น้อมกับไปในนองก็ไปไนมีหลักนาันในพี่เดนนาภายในของเราให้รู้ให้เห็นต่อไปนี่เราเกิดมาไม่ได้เอาอะไรมาสักอย่าง น, นี่ต่อไปเราจะเดินทางไกล เหมือนกันเรามาอย่างนี้ละ่ะเดินทางไกลหาเราไม่ได้เอาอะไรมาสิ่ทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ได้ติดตวัวเรามาชั่อย่ามหาเราเอาเสบียงหรือเตรียมมาพร้อมเราไปไหนเราก็ไม่กลัวดกลดัวยากกลัวทุกข์กลัวยากกลัวความลําบากลําขังเพราะเราเตรียมพร้อมแล้วนะ นี่ละทุกกรามหมายเห็นหากใครไม่เอาอะไรมาบางทีเรานอนกลางทางหรือไปตกที่กันดานอย่างนี้เราจะอะไรไปกันดานก็ไม่ได้ที่เราไม่เอาไปเอามือจียมพร้อมแอแ่าเป็นอย่างนี้เป็นนั้นได้พากันในซึ้งรู้มีต่อ น, นี่ไปแล้วเราจะเดินทางไกลแห่าไปแสงไป รู้จักก็ที่อยเ่ื <c oughs> ่อหมวดท่านหลายจะมาอย่างนี้แล้วรู้จักจุดโอจะมาวัด่าอุรมสมพรมหาอาจารย์เน่ล้วก็ยังมาทู่หนรู้จักนี่ตอนนี้เราจะไปที่ไหนเราจะไปลาปาง <c oughs> เลยลาปางล้วจะไปอยู่ไหนออกจากลาปางนั่นเองเนีออกจากเนี่ย เราอยู่หน่อยลรอนะงนก็เกลียมสเสบียงของเราเป็นต่อเราไม่กลัวนี่ละจะอยู่ในชั้นใดภูมิใดในฟอกอันใดกล้ามาฟอรููลูกกบฟบกือเอารูปกบกบอือนี่ะต่อไปพาหนุจันี่เราพูดใเจ้าจะได้วางสาปชนาไวา เราเกิดมามนุษย์ทั้งหลายนะัย้นพิจารณาแล้วว่าเราทั้งหลายมีความมุม่งมากปร า, ารถนายูสามในเนี่ยวันนี้ในหนึ่ง <c oughs> ต้องการวัตถุ ข, ของเงินทองมากๆไม่ใช่ะถ้อกันหากันในสองต้องการรูปสวยๆงามๆ ม, มาอยู่ยืนนานไม่ใช่รื มางายในนี้โลกไม่มีภัยในสามันต้องการมีสติปัญญาเรลียวสราไม่ใช่เรื่องผู้ใดมีรูปเกิดมาไปสมในเล่าให้เรียนเพื่อมีสติปัญญาทำไม่เล่ามันจึงไม่ได้สมความมุ่งมาตปราถนาพ่อเหียนใด นี่พระพุทธเจ้าชั้นเจียญแล้วว่าเราไม่ขาดการกระทำขาดการปฏิบัติอ่ามันจะไม่สมความอุ ม, มากตินนะคือเราไม่ได้ทำไว้เราไม่ได้ปฏิบัตบบิไว้บุมมาเมย์กระสาวนาเขาปกติสาวนาไม่ได้ทํานายกตัว อ, อย่างนี่ห้อยเขาเ้าจมยุ่งจมสาง ม, มันจะนมีไหมล่ะ ไม่ทำนาจะมีเข้าไหมน่มันก็ไม่มีแล้วอี่เร า, าได้ทำเต็มเม็ดเต็มหนวยแล้วไม่ต้องนั่นนาไม่ต้องกลัว น, นี่เราเกิดมาทาไมจะได้เงินล่ำจากรวยขเราไม่ได้ทำามายไม่ได้เราทำมาก็ได้สินี่เงินไม่ไ้นี่ติกรรมไม่ด้ก มาเรียนกุศลธรรมมากุศลธรรมมาเราทำ ม, มามันจะได้ไมิมจ๊ะล่ะทําให้ทำมาจะได้ไหมเราถรือว่ายงดึอเมืองลําปางคุณไปไม่ได้กาคุณตายดูบอกคุณตายพวกที่ตัดตัดไให้รับสินรับธรรมเหรอแต่ว่าน่าบอกคุณตายรับสินรับธรรมฟังเตผู้ดีก็ไม่ฟังเลย กินเล้ามองตะลึกเรีนบอกเลน่นไปตะลไม่ฟังบอกคนตายคนตายก็ไม่จะฟังไรคนตายนาเนาะเตอไม่เต็นะเป็นอย่างนี้เลยแล้กุศลธรรมากุศลธรรมมาถ้าไม่ทํามาไม่จะได้เหรอเนี่ยเดี๋ยวน้ า, ม, ามันว่าในกุศลธรรมไปกุศลธรมรมไปเหรอ นั่นธมมาไม่ใช่หรอนั่นแหละพากรูกจาร้ทีนี่ท่านจะใน ว, วางศาสนาไว้คือ้ามีธาตุมีศีลมีโภนาอันนี้ละ่ะานิสงอัน น, น, นี้คือเราได้ทานไว้เราได้สร้างไว้เราได้ทำไว้นี่ละ่ะผลา น, นิสงละ่ะ เกิดไปในพักใดฉาตใดในปัจจุบันเบื้องหน้าเป็นคนไม่อดในอยากเป็นคนไม่ทุกข์นยากเหมือนกับชาวนาเขาทำไปแล้วเขาก็ไม่อดเจทูไรไม่ได้ทําหมมันก็ไม่ได้ทุกข์ได้ก็ไม่ได้พี่นะเราไม่ทํามามันเไปฝากาปไไว้ตรงนนี้ในสอง ต้องการไข่แตเดีเลยด้ลูกช่วยๆนำหนา้าอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภยัยทํมาแล้วไม่ได้สมความปรารถนพระพุทธเจ้าจะได้วางใจให้พากปรักษาศีลรักษาไระยาศิล์จะน้สังรวมการรักษากายรักษาวาจาใจเรียบร้อย ทั้งรวมกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยกายเรียบร้อยอย่าไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทํากายัำใจแล้วเกิดไม่ในพกใดฉากใหนไหนนะไปอจจุบันเลยบนหน้าเป็นคนสวยคนงามไปเสียละหายไม่มีคนมีการวาจามีคนบีการใจไม่มีคนบีการนีน่าจะสวยก็งามเหมือนกัน นี่เป็นไม่รักษาอุณนภูมิรษาสิงรักษากษายเรารักษาวาจางเรารักษาใจของเราผู้ใจไม่ร่ามีสิ่งอีู่ตรนี้สิ่งห้าจะไปะโกหกจ ะ, ะพะขอจ ะ, ะพจะขอทามากนะขอพะเลยเป็นไม่ได้นะมูจ้าเป็นสิ่งห้าบอกไว้เราได้ไม่จะเกิดจะขอเขาไขล่ลรา ขาเราทั้งสองเนี่ยสห้ามือั้งสองเนี่ยี่ละสิสะหนึนห้านี่โสิห้าจะไปขอเ็ไข่ละทาไงเอาห้าษาห้า น, นี้จะไป ท, โทาโทษ้าโทห้าเกินไงมนไม่เราสิใหร้รอกจะไปทาโทห้าปานานกระทู อาทินากะโกอเมตะโกมุสาะกตะโกสุลาตะโกยุ่งยากทุกวันก็ห้าอย่างนี้ไม่มีใครังได้หาเราเล่าเว่นห้าอย่างนี้แล้วเราก็มีความสุขมีโชคาสองบาทเถียเนงนละจำได้ยัง เราจะไปทำผัวข่านานะเป็นโทษแล้หาอย่างนี้ไอ้จะได้แล้วเกิดมาอายุสั้นเร็วกันตายจะน้อยตายจะน ม, มตายเปคราบจากกันอย่าง น, นี้ละ่ะไอ้จะได้แล้วเกิดเป็นโลกเป็นไห่ไม่นี้เกิดมามีขมวยเลี้ยงขมวยน้อยขมวยเขา้าขมวยฟ้อง มีโจนพน่นโจรจี้อันนี้ถูกตุลักตุยายปักไงใส่โทษติดโทษติดโัวหล่อ่ะอะไรจได้ถ้อเกินมาโจรนำท่วมหรือลมโจรไฟไหม้หรือลมพายุพัดอย่างนีอยไกได้ล่ะมีอะกได้นี่เราเป็นโทษอย่างนี้ยยนนะนมันยังไ่ทำยังไ้มีขโมย เนี่ยเกิดมามีบุตรปัญญาสามีเพรลาะกันวันยังคำ่ำใครจะได้แรือเพราะเลาะกันวันยังค่ไจะรูปวายยากอนอยากแล้วใครจะได้ล้วอเล่ากได้นั่นแหละคือจะห้ามการเมียเนี่ยนะเกิดมามีคนชอบโกงรลอกลวงนะไม่มีใครจะไดะ้เกิดเป็นลมบามู เสจเลยติดเจมนุษย์เป็นใบนี่ยหูตึงตาบอดกระจกงอวีที่ทุกข์ทั้งตั้งลำบากหายใจได้หรอไม่อยากได้นี่เราคนยังห้ามคุราสาโถอัญชายาวฟินนี่ปาตุจากลาเวนโทษอันนี้เกิดมาก็เป็นคนมีกวมสุขความเจริญเกิดมาก็เป็นคนสวยคนงาม นี่เราเรียนโทษนี่เกาะซึนเรานี่มันจะมาประหัตปรหารเราหายไว้แล้วขอนี้นี่เกิดมามีสติปัญญาเฉลิ้วสลาดอันสอนในภาวนาภาวนาแปลมาเลอกเพ้นตจขเราเนคุทโต ท, ทมโมชังโคแล้วนคุโตเนคุโตเพ่ททพททเนพดูหัวใจของเรา เ, าเท่มากมากนะวันนี้เขาฟังคำ นองเต the ีไม่ลันี่นั่งสบายอ่าเขาที่สมาธิทังคแมากเลยเนาะ่อนกวัน่ำปวดนั่งไสบายนะนั่งยังไงก็ได้นะนั่งสบายนั่งไหนก็ได้นอนั่งกันหน่อยแน่่างกันเอาดูอันนี้แข็งแล้วกินไม่กิน นั่งดูจะนั่งสบายจะนั่งกระัก็ได้ัาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเออนั่งสบายสบายอนั่งห่างไม่กี่น้อยแมมันยังฟังทำสบายเอเคยฟังไหมล่ะคนทำอ๋อนั่งสบายนั่งดูมันสบายยังยังคับตรงไหนีือคล้องตรงไหน นั่งดูนี่ยเอาอกายสบายแล้วนี่ยเอาวางข้าวางท า, างทาสง่าผ่าเผยยิ้มแมย้มแจ่มใสไข่ลายเป็นดีหมายด้านวางดวงใจสบายให้ละลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมยินใจพรารียสงฆ์สาวกยนใจ เชื่อมั่นในใจเราใหลึกดูเป็นคำบริกรรมภาวนาไวน้นี้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆ ส, สามคนแล้วรวมอาคำเดียวเราจะพุทโธพุทโธลัอกตาหนักปากซะบันให้เราลึกตัวในใจ ลี้นก็ไม่กระตุกระดิกลึกเอาปลอกวางมือลองวางมือลงนั่นวางมือลุณพอน่ะุทำง่า้ววางมือมือขวาทำมือซ้ายหง่ายมือขึ้นอึงมาทำม้อซ้ายหมั้ยนะครับเนืกอุทโทพุทโทหับตานับปากเนืกเราเราจะากรู้ทำ เอาฟังทำเขาวัด น, นี่เร็วขวัดเอามาวัดดูใจของเรารูปรธรรมนามธรรมของเราวัดดูนพึพุโทโธพุทโธความรู้สึกตรงไหนเราตั้งสติไว้ตรงนั้นแห่งดูในตรงนั้นฟังในตรงนั้น เราอยากรู้ว่าตัวเรานี่เป็นยังไงมันเป็นสุขเดิมมันเป็นทุกข์มันเดีอดเดมันชั่ววัดวัดดูสุขกับทุกข์นในมากกว่ากันดีกับชั่วได้มากกว่ากันวัดก็ฟังทำทำทั้งหลายนี่มันเกิดมาจากไหนใครทำให้เราทุกขทุกข์ทั้งหลาือมันมาจากว่าอากาศ เธอมาจากต้นไม้ภูเขาเรากาเือมาจากบ้านจากเมืองถนนทางนี่เรารูิจักที่พึ่งนของเราที่อยู่ของเราทำดีเป็นไงทำดีเป็นอย่างนี้อธิบายันสั้นให้ฟังรวมมาคือใจและสงบใจโลดี ใจเราดีมีความสุขความสบายเย็ยนอบเย็ยนใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุด่ดไม่วายพุโทโธใจเราเบิกบานสบายนี่นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าบัวเทศบางคนขัาหน้าจะเป็นยังไง ยังหมดเมื่อใจเราเป็นอย่างนี้แล้วในปัจจุบันนี้นําความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันคือนัหนึ่งแดบข้างหน้าข้างหน้าก็ต้องเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องคำนึงกับอดีตอนาคตอดีตร่วมมาแล้วอนาคตข้างหน้าไม่ยังไม่มาถึงเราต้องดูในปัจจุบันเรานงอยู่างนี้นะมันดีหรือไม่ดีรู้จักถูกไหม นีคือทิบายฟังแลวใจโรดีมีความสุขความสบายเย็นบกเย็ยนใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่อ่วุ่นไม่ไวุ่นพุทธโธใจเราเบิกบานพุทธโธใจสว่างสวพุทธโธใจผ่อใสสะอาดเมื่อใจมันใสแล้วคุณนน้ำมันใส รกระจบมันใสแล้วก็มองเห็นตนมองเห็นตัวมองเห็นเขาเห็นเรามองเห็นนรกมองเห็นสวรรค์มองเห็นสุขเห็นทุกข์มองเห็นดีเห็นชั่วใจใสสารมันจะปราจะจากทุกข์ปราจะจากโทษปราจะจากภัยปราจะจากความโชติชัละม ok ปราจะจากความทุกข์ความจนปราจะจากความบดความอยาก พราะหัวใจไม่ทุกข์ไม่จนแล้วอะไรจะทุกข์จนแล้วหัวใจไม่ร้อนไม่ยากแล้วอะไรจะทุกข์จะยากเนี่ยเมื่อหัวใจเราดีแล้วทําอะไรก็ดีการงานก็ดีครอบครัวก็ดีพ่อแม่พี่น้องก็ดีชาวบ้านร้านการประเทศชาติก็ดีเมื่อเราดับขันไปทํานี้ก็นําเราไปสุคติ อยู่ที่ดีอันนี้ที่อยู่ของเราเราจะเดินทางไกลคำหน้ามันเป็นอย่างนี้ดูเอาไม่โโได้โกหกหลอกลวงใครไเนี่ยและย่ะดูเอายืนมีจําไม่ดีเป็นยังไงล่ะใจก็ไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนเมื่อใจทุกข์ยากวุ่นวายเดยร้อนอย่างนี้แล้วอันนี้ทำมันนี่ นำทรัพย์ทางไหนตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันในเบื้องหน้าดูเอาที่ในเบื้องหน้าในปัจจุบันในเบื้องหน้าใจไม่ดีแล้วนี่นำทรัพท์ทางไหนตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อเราเห็นเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อใจไม่ดีทํทอท า, าอะไรก็ไม่ดีค้าขายก็ไม่ดีทํามาฮาอะไรก็ไม่ดีแต่สการก็ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดี ชาวบ้านร้านตาประเทศชาติก็ไม่ียุ่งยากวุ่นวายเพราะหัวใจเราไม่ดีนี่ไม่ใช่ฟ้ า, าตาดไม่ดมีเมื่อเราเห็นปัานี้แล้วลเราก็รีบพาันแก้ไขยังงว่จอยรู้จักสำลัหัวใจของเร า, น, านี่มันเป็นตัวทุกตัวยากตัวกิเดตัวได้ตัวไรตัวใหญ่มั่วหนูความทุกข์ความยาก ใครยังได้ทุกข์เกลียดยากมานี่ไม่มีใครยังได้เมื่อเป็นชนนี้ก็ลิบนักพุทโธโอ้ไม่เกิดตรงนี้เองล้องรีบรู้รีบเห็นรีบสํลักสะสามอุปมาเหมือนกับเราเห็นทุกเห็นโทษนล้วมันก็เลิกก็ลาอุปมาเหมือนกับเราเห็นน้ําน้มันก็ไม่เหยียบเห็นไฟมันก็ไม่เหยียบอันนี้มันไม่รู้จับใช่แต่ว่าทุกข์ก็จักไหนล่ะ น่ยให้ทุนลูกต้องเห็นสิสังคติโกคู่ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองอย่าไม่เห็นยังไงจิตของเรานั่งดูเดี๋ยวนี้นี่เรามาทาบุญเราทาอย่างนี้หล้วปติปฏิบูชาบูชายัางเลิกจามกระเสฐแท้เห็นตัวบุญตัวบากแท้บางคนว่าเป็นกรรมกรรมเกา่ากรรมใหม่ กรรมเก่าอยู่ที่ไหนกรรมใหม่อยู่ที่ไหนให้ดูที่กรรมไม่ได้มาจะฝ้าอากาศตอนไหมภูเขาเราตาในสยามงคลเรากถาสมบัติกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมอกายเกิดกรรมเกิดจากกายเกิดจากวัจจาเกิดจากดวงใจแต่เวลานี้กายกรรมของเราเรียบร้อยดีแล้ววาจีกรรมวาจาเราก็ไม่มีแล้ว ยังเหลือจะมะโนกรรมมัโ น, โนคือความหน่วมนึกแล้วลึกกรรมมันใดไว้กรรมสะพอมทีกรรมเป็นของของตอนลึกกรรมไดไว้กรรมดีหรือกรรมชั่วเราจะรับผลของกรรมสืบไปเราจะรับผลของกรรมสืบไปแค่ดูที่เนตฉันได้ว่ากรรมดีจะรู้ได้อย่างไงล่วเพื่อที่หมายว่า ความสั้นๆคือใจเราดีมีความสุขความสบายกายรุ้ตาคิตรู้ตาคิดเบากายแล้วก็เบาหายโลกหายไัหายทุกข์หายยากสบายอกสบายใจร่วม โ, โมโรลักอันนี้เลากรรมดีเมื่อใจดีอย่างนี้แล้วเป็นบุญเป็นวดัดชนะของเราเป็นนิสัยของเราไปในพัก ไหนชาติไหนในปัจจุบันในเบื้องหน้าเราก็จะได้รับผลความดีนี่ให้พึ่งนูกนพึงนั่นใจไว้กรรมไม่ดีเป็นไงล่ะฝ้าปาะกังวา่าคือใจเราไม่ดีทุกข์หนักวุ่นวายดรามเราก็จะได้รับผลของกรรมในสืบไปในปัจจุบันในเบื้องหน้าทำอะไรก็ไม่ดีไปตอทุกข์ไปทุกขติ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วไปรีบพากันแก้ไขอย่างในเบื้องตอน้นกรรมใหม่ก็ยังไม่หมดกรรมใหม่ก็ต่อเรื่อยไ่กรรมเก่ามันจะหมดแต่สี่นายแล้ววัวกรรมไม่ได้เกิดเจบว่ากันเกิดจมโนกรรมคํามหน่นึกเรานึกกรรมอะไรอยู่หรนี้รีพากันในเบื้องลู่ให้เพิ่งเห็นวัดกรรมวัดได้ยังไงลราคิดเราสงบนิ่งเชยอยู่มันว่างหมด มีแต่ความเบาความสบายเนี่กรรมชัว่วกระหายบัลหายเคาะห์บัตรมีกรรมต่อไปของชัวง่วอันนี้เมื่อจิตเราวุ่นวายที่โยตยานที่ร้อนกรรมเกา่ากต่อยอดบัตรก็มันก็ตาเรื่อยไปน่ะมันก็มีหมดจะทีสิเออจะหมดกรรมยุดชิดที่ใครทํำล่ะ ไม่ใช่ว่าเทวทโตดาทำให้เราดูถิงนั่งดูถึงเรียนว่าฟังคำฟังดูถึงอธิบายฟังแล้วเอาตอนนี้ไปภากระจาแล้วทางคนต่างฟังจึงเ่งไ ม, ม่จริงรู้จักเห็นจริงสันติธิโกผู้ปฏิบัติเองเห็น เ, น เ, นเนองโกปนายกโกน้อมก็ไปแต่จะต่างรู้จงก็ตอนเอาเทศนาฟังแล้ว ทางคนทางดูนะ น, นี่ฟังดูเราจะได้ความสุขความสบายสมความนึกของเราไมัมนสุขมสบายไหดูสิเนีอันนี้ละให้ดูจับเน่ยืนเท้ากั น, น, ม, น, านมานิดมาเหนื่อยไปแสนไปก่อไปให้รูจับก่อปฏิบัติไวเชื่อมันม่นลงไป ใจไม่ดีกันึกกบโขกกโขกมาตัดมันซะพอมันรู้ล้มก็เลิกเองเนอกมันก็ละเองเนาะพอรู้ไม่ดีแล้วนี่มันก็ละรู้ว่าชิ้นนั้นมันหนักกว้างรู้ชิ้นนั้นไม่ดีมันก็ละเป็นอย่างนี้เนาะคือเรารู้น้ำล้ำมันก็ไม่เยียบรู้ไวแล้วก็ไม่เยียบนี่เป็นอย่างนี้ รู้ให้เห็นต่อไปอ้าวไม่น่าอะไรนี่เรามาทํานี้แหละปฏิปฏิบูชาบูชายังเลือดจางกระเสดท่าทาบุญอย่างที่สุดพุทธเจ้าท่านใ้ทานมานับและสงไขถ้าไม่สำเร็จเมื่อท่านได้สำเร็จมมก็ น, นั่งฟังเหมือนกับเรานี่แหละเมื่อจิตเราสงบได้แล้วความสําเร็จ ม, มรรคสาเร็จผลอยู่ที่ตรง น, นั้น มันจะสำเร็จที่อื่นคือรวมจิตได้มันก็สําเร็จรวมจิตไม่ได้อยุกราบใด้มันก็ไม่สําเร็จเหมือนก็เรารับทานอาหารอุปมาอุปไมลรับเช็ดเกลือยังรับอาหารทั้งหลายทั้งหมรวมเขาไว้ในกระเพาะอันเดียวนะก็สําเร็จถ้ายังวางตามถ้วยตามจานอยู่นั่นมันก็ไม่สําเร็จมันก็ไป ม, มีแรง นี่สันใดจิตของเราสงบเป็นสมาธิภายในเรามันรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจเบาหมดหายทุกข์หายยากหายเคราะหหเข็มหมดเพราะคุณนี่มันได้รับความสุดความสบายนี่เป็นอย่างนี้ต่อไปให้สัญญาไวว่ามีเสียงอะไรก็ตามภายนอก รู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่จำเดือดร้อนแล้วก็วางใจสบายนะสัญญาอะไรเนี้ย่อมาก็จะไม่ได้เทศ้ยต่อไปต่างคนตางฟังอธิบายกามแล้วหากันฟังทำฟังสุดประมิตรมิตรเมืมม่อเทศ้ยที่นี้คิดใจท่านจะมาฟังแต่เสียงมันไม่มีความสงบเอาต่างคนต่งยินแล้วดูจริงหรือมีจริง เข็นแจ้งประจับในตัวเราเพื่อจึงที่พุ่งของเราที่อยู่ของเราที่อยู่ขอเราถ้าจิตเราสงบนิ่งสบายนั้นมีนําความสุขความเจริญให้ที่อยู่ของเราจิเาาเาาำำตร เ, เ, รเราวุาว่นวายเดือดร้อทุกยาเนี่ที่อยู่ของเราคํานั้นต้องนำเราทกติตอนนี้ไปตามคนตางค์คน นานถึงแล้เราใสามสิบนาทีเราดูด้ <c oughs> มันยังคับมันยังนั่นนงเรานั่งทำยบบืนจริงสบายสิบนาทีเั็นยังขับเป็นยังนั่งไม่ไดะพู่มันเด็กขันตีความพลอยพดอเอาหยิบความเพียนเพียนอะไรเป็บบนหักของชั่ว เป็นทำ功德มันเกิดทำมีขึ้นนคันติวัฒน์พรกฎลักสิ่งโสขคนดีเฮาไม่จะตายตามมันอยากดีดีแล้วไม่ดีอันรู้จักวางสบายสบาย <c oughs> ดีไหมเฮนัดูกอดมาดูดกุ้ดูกันดูเทงันโอมเราดูดูดีไหมเฮ้นังดูตัิีมันทุกที่ฉนไม่ดีไม่ มันสงบฟังแล้ม ult, 2, mm! ันสงบดูไม <Yeah. S 1> ่สงบดูตรงนี้นี้สงบแล้วมันเงินไปสงบมันเงินควนสงบ่ึนลม่ควนขึ้นไม่เงียบทั้งสั่งทั้งเร็ใจะใชต่อไปขุณบาท การนั่งขวันตัววันเสร็แล้วนั้นเราถูบ้านถูช่องประมาเราถูวันหนึ่งลเป็นยังไงถูวันวันสะอาดเราถูแล้วเล็มดูมันสะอาตรงไหนแล้วตะกุนักตรงนั้นมีป้ายของเรามันไม่ดีตรงไหน แล้วก็แก้ไขตรงนั้นทำรักตงนั้นเพราะเพราะว่าเราอยากได้ดีเมื่อมีสังละต้นมันรักษาต้นแล้วปลายมันจะดีได้ยังไงเหมือนครอบครัควต้นไม้วักถุเรียนเขาต้องดูต้นดูควรมันให้ปุยมันนั้นมันดีรักนานมันดี ผลมันหนาเออมันเป็นเทนอ่าด้บอกมึงขับมันนี่ขับต้นนี่มันดีแล้วมันก็ดีเองเ้็นไหมละไรยังเป็นชนะคนนี้เหนื่อยแล้วอ่าเหนื่อนื่อนี้แหลเป็นข้อปฏิบัตินำมาเตือนใจนี่ขักันในสะดับแล้ว ในวาดธรรมัทำธรรม ส, สอนเนี่ยสลูปโภก็อาใจความแล้วตั้งแห่งประพุติศาสตร์นาคือกายกับใจใจนี่เป็นที่ตั้งแห่งประพุทธศาสตร์ชนาเป็นที่ตั้งแห่งมัทธิวคือกายกับใจนี่เมื่อคันทล า, ายได้ยินได้ฟังแล้วโยนโสมานจิการมาเป็นกมดตัไปแล้ว แ ป, ป่ระพฤติติบัติพฤัดตนตนไป ใ, ในคำของสอนผลที่ชุดประมะจะทำคือความจะประมาทเมื่อท่านทั้งหลายมีความประมาทแล้วจะประสบเป็นแต่ความชุกขความเจริญดังในสแสดงมาโอิวังตนนุน ปปเป็นยังไงเ <c oughs> นี่ยฟังทำเคยทำไหมละ่ะไม <c oughs> ่เคยไปทำไม่ฟังแล้วหายดียังเนี่ายไม่ดีไม่ได้ของดีนะบอกแล้ว ไอเราดีด้วยแหละของดี ừ, หรือว่าไงตรงนี้เป็ไนไงคือไม่นนะ่าบานเมืองของเรามันจะเจริญได้เพราะอาศัยนี่แ่ะอาศายนะ ừ, ัยศาสนาอือนะศาสนาอยู่ได้ ใจเรามีความสุขความสบายอย่ในความสู้สลายไปเองเหมือนกมันมืดเราจุดไฟแลมืดมายตัวเองครับประเทศพื้นาจะมาทำลายทรณีสูบกินแผ่นดินสูบคือพระพุทธเจ้าหายเบรยเบรยพระพุทธเจ้าทรณีสูบกินละวาดหั่นหรือว่าง่าย อแล้วก sí ็คือพุทธเจ้าถือพระคำพุทธเจ้าอยู่ในใจก็ยังบอกแล้วอันเบ็ดเป็ยนพุทธเจ้าก็โทรนี่สู้ที่ว่อ่าจะไปโกรย์อะไรบานเราหัวเป็นนั่นเป็นนี่นะหาก็ยังมีความสุขความสบายที่ประเทศตูนเขาไม่มีวัดมูธรรวัดเฉยๆมาพากันโทวนาใจสงบ วางความไรเอาบุตรรรยาสามีารักกันที่สุดไม่ใช่หรอใช่ไหมน่ะใจดีแล้วมันไม่ทมะเลาะกันไม่ใช่หรอใจไม่ดี ม, มันเกิดทะเลาะกันไม่ใช่หรอนี่นี่แหละนี่แก่ช า, าาชาติของเราใจดีแล้วไม่ ท, มทมะเลาะกันตัว ส ว, ว่างไหมฮะเออชเจายย้าเื อ, อนะอะไรยังไงจาะเออใจยังไปของว่าทางคตางไดยิ น, นยไปประตุบักมงลำปางกูนะ วัดทุวันนะนี่นะนวัดทุวันนะจะวัดยังเขาทุวันไหมล่ะเขาเขาล่ะเขาทุวันหรือเปล่าเป็นโเขาาทวัดุวนไม่วัดนี้ วันนี้ดูนี่ยนนี้แต่นอนแล้วก็ทำการดำงานมาแล้วก็ตามจุรุ่มเราสปอรกาบจุลินทพุทโธจที่รุ่มเราที่สองสํางโมก็ทำ ตรงที่สามั้งโกชงด้วยขวัดวัดคือวัดตรงนึงนี่แท้นี่นมันดีนะมันชั่ววันเป็นยัง้เออวันนึงขวัดมันมืดมันหนาเดี๋ยวนี้มืดยิ่งกว่าคนอื่นงบุญแหงบาปแท้คนขวัดวันนั้งแหงแท้บุกบุกมันห็น เออดี้เป็นช่วงเป็นจิวัดราบอกว่าเป็นจิดวของเราไร้เงีันต่อไปฟ่าเขาวัดวันนีนะเออดี๋ยนะนี่ไม่รู้วงและเสด็จมาแน่ยอําำว่าทำยังไงประเทศเราจะเจะริญได้มาขอถาวายก่ อ, อนมาบวกพี ทำในสายพุทธศาสนาะอืมนี่ละพุทธศาสนาะเป็นอย่างนี้คนมานี่กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นแล้แบบวแ่งวัดเนี่ยในหลวงเสด็จก็เออ น, น่นมีอะไรระเบียบเรียบร้อยดีไม่กัน มีบิดา m e n ด a y a ที่พี่น้องเดียวกันนี้แหละพุทธศาสนาให้ทิมวิ้ินทำอะไรกันข้างก็ได้สติไปลงทำอย่างไรวัดหลวงไปฝึกหลวงขอทุไวตอนมะบวชติดโคบันโควจิน้องมาไผนายบุทธไทยสงฤ์ไทยไปนายที่ พูดคำนี้แล้วก็ฉลาดรถก็เป็นวัดนะฮะบอกว่าเนี่ยในรถก็สมหวังในลถเป็นวัดที่อันตมาวะอริยบททั yeah. aw, nee? uh, ้งสีวัดได้นั่งนอนเดินยืนเป็นวัดวัดเกิดใดเล้าเนี่ยวนดใจเราเนี่ยเออวัดใจของเรานี่ยมาดวงฤทธิ์ทคใจเราดีแล้ว อยู่ในรถก็ดีนั่งกด็ดีนอนกด็ ด, กดีเดินก็ดียืนก็ดีไปไหนกด็ดีในคลองแค่ไม่ใช่หรือว่าง่ายแน่ยเดีแลวเห็นไหมทำให้คลองแค่แน่ยายเราดีลนดละ่นละจาไว้พวกเรามา อยากได้คุนงามความดีใจดีแล้ทำได้ก็ดีลูกก็ดีช่วยก็หน้าตาก็เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสนะแก็นิ้มนวลนีมันไม่นวลก็แป้งกับปลาเอาตัวปากไม่เจ๊น้ำจะได้บัด่าร์กัน